สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้มามัสการพระเจ้าร้วมกันอีกครั้งนึงนะครับผมมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วผมเชื่อว่าคําพูดนี้น่าจะเป็นเหมาะกับช่วงรยเวลานี้มากที่สุดนะครับเวลาที่เราเกิดนะครับเราร้องไห้แต่คนรอบข้างเรายินดีแต่วันที่เราตายครับเราเองยินดีแต่คนที่ข้างๆกลับร้องไห้ผมเชื่อว่านีใน่ในหลวงที่เรารักของเราหลายคนกําลังรู้สึกสูญเสียนะครับแล้วก็รู้สึก จะปวดบางคนรู้สึกอยากร้องไห้ผมกับครอบครัวนะครับก็ร้องไห้มากมายนะครับเพราะว่าทางฝ่ายภรรยานะครับที่เป็นคนใต้เนี่ยมีความใกล้ชิดมีประสบการณ์ตรงนะครับกับพระองค์ท่านอย่างมากมายนะครับท่านมีโอกาสไปเยี่ยมที่ปัตตานีแล้วก็ัวคนในครอบครัวเองก็มีโอกาสได้สนทนาอย่างใกล้ชิดวันนี้เป็นความผูกพันนะยิ่งได้นั่งดูพระราชกรณียกิจนะครับของพระองค์ท่านแล้วก็าทาให้รู้สึกโอ้พระเจ้าครับ เราเยินดีจะรองไห้เลยให้กับในหลวงที่เรารักจริงผมว่าส่วนนีน้เป็นคําพูดที่เหมาะสมกับกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับเชื่อว่าการที่เรานมัสการพระเจ้าเราได้คิดถึงนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับกษัตริย์ที่ดีมากในชีวิอของเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งครับได้แบ่งปันถึงในหลวงเราว่าประเทศไทยได้เปรียบประเทศอื่นทั่วโลกคนไทยสามารถเห็นพระเจ้าในมุมมองที่คนทั้งโลกไม่เข้าใจคือพระเยซูคริส ได้ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นไปได้อย่างไรก็เห็นได้จากพระองค์ท่า น, น, นในหลวงนะครับที่สามารถลงไปเยี่ยมเยียนรัสดรใช้พื้นที่เป็นหินดินทรายเป็นที่ประทับนั่งของพระองค์เหมือนที่พระเยซูเจ้าได้ลงมาบังเกิดในโลกนี้ใช้หลางหญ้าเป็นที่บังเกิดของพระองค์พระเยซูเจ้า ได้ถูกสะท้อนภาพโดยในหลวงของเราทำใ้เห็นมุมมองที่สวยงาม ว, ว่าพระเจ้าได้ทรงรักเราทั้งหลายเพียงใดจนยอมสละพลังฟ้าสวรรค์ของพระองค์ลงมาให้โลกนี้ดังนั้นจึงเป็นช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะมีโอกาสขอบคุณพระเจ้าสําหรับในหลวงที่ดีของเราเห็น ไ, ไหมครับหันไปหาคนาข้างๆมอกคนข้างๆดีใจที่ได้เป็นคนไทยเห้น ไ, ไหมครับดีใจได้ที่เป็นคนไทยนะครับ วันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องชีวิตที่สมดุล น, นะครับวันนี้หลายคนอาจจะอ่านเรื่องราวของมารีมาทาลาสระแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตที่สมดุลวันนี้ผมอยากจะอธิบายให้ฟังสักหน่อยนะครับถึงชีวิตของคน3คนที่น่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราผมเปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนกับการเดินบนลวดนะครับคนที่เดินบนลวดก็ต้องมีไม้ที่จะบาลานซ์หรือทําความสมดุลให้กับชีวิตของตัวเองบางครั้งเราจะเอียงไปซ้ายบ้างขวาบ้างจะตกบ้างนะครับแน่นอนชีวิตเราก็ไม่แน่ไนอนนะฮะ ใครจะรู้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้สะเทือนใจค น, คนทั้งประเทศได้แน่นอนนะครับว่าชีวิตของเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความทุกโศกความเจ็บปวดความเศร้าได้อย่างไรเรายังสามารถยืน อ, อยู่บนเส้นเลือดขณะที่ตัวเองกาลังยืนร้องไห้อยู่ได้อย่างไรเราจะสมดุลชีวิตอย่างนี้ต่อไปได้อย่างไงโดยไม่เสียศูนย์ไปผมเชื่อวันนี้นะครับคนไทยเสียศูนย์ไปเยอะหลายคนนะครับคนไทยบางคนเดินทางไปสนามหลวงไปนอนที่นั่นไม่ได้เตรียมอะไรไปเลย นอนอยู่นีั่นแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราสามารถจะทําให้คนหลายคนรู้ว่าเราสามารถจะมีชีวิตที่สมดุลในท่ามกลางความสูญเสียหรือความไม่แน่นอนชีวิตได้อย่างไรเลยมีคําถานมนะครับแล้วชีวิตสมดุลที่ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรล่ะหลังจากว่ทําวันนี้นะครับยอห์น12ข้อ 1- นึ 11, ่งถึงสิบเอ็ช่วยให้เราเข้าใจถึงชีวิตแบบนี้ได้ให้เรารุวมใจอธิษฐานได้ไหมครับขอรพระเจ้าทรงทาเราพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับสําหรับ ความจริงแห่งวชิะพระเจ้าที่ช่วยให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ด้วยความชื่นบานด้วยความหวังใจในพระเจ้าและด้วยความรักมั่นคงในพระองค์ขอทรงโปรดช่วยข้าพทั้งหลายได้เรียนรู้จากความจริงของพระเจ้าวันนี้และแปรเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นชีวิตประจําวันของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นพระพรและเป็นที่หนุนจิตชูใจบรรดาพี่น้องร่วมชาติที่อยู่รอบข้างที่เขาเองกําลังสูญเสีย ด, ดูเหมือนเสียสูนกับการดำเนินชีวิตไปขอทรงโปรดเมตตาข้าพเจงหลาย ในการที่ดินินชีวิตเป็นที่ด น, นจิตชูจใจผู้คนมากมายผ่านชีวิตสมดุลที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำพาเข้าวงหลายด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมยอห์นครับเป็นพระกิตติคุณที่มีความแตกต่างจากพระกิตติคุณพ้องเล่มอื่นทั้งหมดนะครับเล่มอื่นเนี่ยมีโครงสร้างการเขียนเหมือนกันหมดนะครับอาจจะมีการเน้นแตกต่างกันบ้างมาชิวเน้นที่พระเยซูเป็นจอมกษัตริย์ มาร์โกเน้นที่พระเยซูเป็นผู้รับใช้ส่วนลูการเน้นที่พระเยซูเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ยอนแตกต่างครับยอนต้องการนำเสนอพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า แ, แน่นอนครับด้วยท่วงทำนองเอกลักษ์การเขียนของยอนยอนชอบใช้เลขเจนะ็ดเจหมายสำคัญมีหมายสำคัญเจอย่างเพื่อบ่งบอกลักษณะความเป็นพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งไม่มีใครโลกทำได้ตัวอย่างเช่นพระเยซูสามารถเดินบนน้ำได้ หลายคนบอกโอ้ช่องหนังจีนสมัยก่อนตอนที่ผมเป็เด็กชอลิเฮียงหลายคนรู้จักชอลเฮียงนะฮะชอลเฮียงเดิ น, ดนบนน้าได้มันไม่จริงหรอกมีคนเดียวในโลกเดินบนน้ําได้คือพระเยซูแล้วก็อนุญาตให้เปโตระนะั้นอ่ะที่เดินบนน้ําได้ไม่มีใครเดินบนน้าได้ไม่มีใครสามารถชนะแรงโน้มถ่วงของโลกได้นอกจากคนที่ตั้งกําหนดแรงโน้มกดแห่งแรงโน้มถ่วงโลกไว้คือพระเจ้าเองอันระรงคือพระเจ้าอันร้อยเลขเจ็ดจึงเป็นหนังสือเป็นรูปแบบวรรณกรรม ของย่อนที่ชอบบันทึกเราอ่านวิวรเราก็จะพบเจ็อีกเหมือนกันนะครับแต่เจ็ต่ขันเจ็ขันตาเจตาสมองนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดซึ่งเรียกความสมบูรณ์ซึ่งย่อนนํามานําเสนอแน่นอนครับหมายสําคัญสุดท้ายที่พระองค์ได้ทำก็คือพระองค์ทรงชุบล่าซัดให้ฟื้นขึ้นจากความตายโอ้ี่เป็นความมาสจัจจรย์แล้วต้องยอมรับครับไม่มีใครที่ตายไปแล้วแล้วสามารถเป็นขึ้นมาจากความตายได้ เรามีโอกาสศึกษาเรื่องราวของลาสรัดนะครับลาสรัดตาย4ี่วันที่สวันนี้พระเยซูตั้งใจจงใจเลยครับอันที่พระเยซูเนี่ยถูกมารีเนสมาถาวิงบอลเลยโดยใช้จิตวิญยาค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยคือน้องชายคนที่พระองค์ทรงรักกำลังจะจากไปป่วยอยู่รีบมาด่วนนดูสิมีการใส่โครพระเยซูด้วยนะพระเยซูไม่มาครับนอนอยสองวันจนลาสลัต า, ตายสนิท ที่ต้องตาย4วันเพราะความคนชาวยิวเชื่อว่า4วันวิญญาณสาวันแรกวิญญาณจะล่องลอยไม่เข้าล่างไม่ได้ถ้ามีโอกาสเข้าล่างได้จะเข้าล่างแต่สี่วันแล้วไม่มีสิทธิ์เข้าล่างตายแล้วตายเลยอันนี้จะเป็นการสัจจรนท์ที่ยิ่งใหญ่มากที่เปเยซูชุบงานสักที่ตายไปแล้วสี่วันด้วยความร้อนและอุ ข, ของแดนแดนินแดนปาเลสไตน์น่าเชื่อว่าศพน่าจะเริ่มเหม็นเน่าแล้ว แน่นอนครับพระองค์กำลังพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าของพระพองค์เพราะอะไรล่ะเพราะเป็นทําทั่วคำนองการเขียนของยอหนครับเวลาเขียนเรื่องหมายสําคัญปุ๊บก็จะมีคําสอนมาต่อยอดกับเรื่องหมายสําคัญนี้แน่นอนครับเรื่องราวที่จะต่อยอดอย่างนี้ไปครับจะเป็นเรื่องราวของชีวิตสมดุลที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราดําเนินไปกับพระองค์ดูลักษณะอย่างแรกครับชีวิตสมดุลต้องมีลักษณะอย่างไรครับหนึ่งเป็นชีวิตที่มี การรับใช้แบบมาธาพัมพีได้พูดถึงครับบุคคลแรกในพัมพีในที่นี้ก็คือมาธาเองนั้นชีวิตกีศิลดองดําเนินต่อไปครับนั้นมาธาเป็นลักษณะชีวิตที่เราควรจะเรียนรู้เลยมาธานี่ต้องเข้าใจก่อนนะครับก่อนมาก่อนนี้เขาเคยไม่สมดุลมาก่อนนะฮะในลูกาบที่สิบสาิตปดถึงสี่ิบสองนี่เราเรียนรู้เรื่องมาธามาก่อนนะครับว่ามาธาเป็นนักบุิบัตริรับใช้ พูดง่านนี้ถ้ามาทาเป็นไฮเปอร์เป็นไฮเปอร์ไทลอยนะครับก็คืออยู่นิ่งไม่ได้อ่ะชอบทํางานว่าทําอย่างนั้นทำยังมีความสุขทําทําทำท ำ, ท ำ, ทำแล้วเป็นธรรมเนียมชาวเยอรครับเวลามีแขกมาเยี่ยมที่บ้านปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของบ้านต้องทําหน้าที่ในการต้อนรับแขกดีนะครับเตรียมอาหารเตรียมสิ่งนูน่นสิ่งนี้มานะที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวปาเลสไตน์สมัยก่อนแล้วลครับพระเยซูมาเยี่ยมในลูกาแล้วเมื่อมาเยี่ยมเสร็จ เธอทําการปฏิบัติอย่างดีมากแต่เธอไม่สมทุนครับตอนลู ก, กาเธอยังไม่สมทุนเราสังเกตได้จากอะไรครับเ พ, พื่อนพี่บันทึกเรื่องราวในลู ก, กาบอกว่าเธอเริ่มบน่นการบ่นเป็นการกล่าวโทษพระเจ้าเห็น ไ, ไหมครับเมื่อท่านบ่นเมื่อไหร่ท่านแสดงว่าท่านกำลังกล่าวโทษท่านกล่าวโทษยังไงครับท่านบอกพระเยซูพระเยซูไม่ยอมปล่อยให้นางมาลีเนี่ยที่นั่งอยู่ใกล้พระบาทเนี่ยเมื่อกี้เราร้องเพลงนั่งอยู่ใกล้พระบาทพระองค์คือมาลี ที่นั่งอยู่ใกล้พระบาทอ่ะมาช่วยเตรียมอาหารต้อนรับพระองค์อ่ะทำไมพระองค์ไม่ยอมปล่อยเขามานั่นแน่กำลังกล่าวโทษพระเยซูอีกนะรับใช้หนักอยู่คนเดียวไม่ปล่อยคนนั้นมาช่วยรับใช้กับข้าพระองค์ด้วยว่าพระองค์ในทางอ่ถ้าเรากําลังมีปฏิกิริยาในการรับใช้พระเจ้า เ, าเริ่มบ่นมากนะแสดงว่าชีวิตเรากำลังไม่สมดุลเรากาลังจะหล่นจากเส้นลวดที่เรากําลังเดินอยู่สองครับในสิ่งที่เขากาลังสแสดงออกครับว่าเธอไม่สมดุลนนัะ่คือเธอเริ่มไม่มีสันิสุขในการรับใช้แล้วนะครับตอนทัพ ตอนผัดอาหารกำลังคงมีความสุขร้องเพลงพอผัดไป3ามสี่จานมันอร่อยมันจะมาช่วยอร่อยมันจะมาช่วยใจมันคงร้อนร่วมกุ้มใจนะฮะมีความรู้สึกว่าแม่ทาไมมีใครเข้าใจเห็นใจเราบ้างเลยเหนื่อยเนี่ยเราก็เริ่มไม่มีสันนิสุขในหัวใจแต่มาลีกลับทำสิ่งที่ตรงข้ามมาลีกับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดครับนั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระองค์ฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสอย่างอ่อนโยน ให้วันนี้ครับถ้าเรามีชีวิตแบบมารีคนก่อนคือมารีที่ไร้สมดุลลองเช็คตัวเองเราไร้สันติสุขในการรับใช้พระเจ้าหรือเปล่ารับใช้ไปบ่นไปกวลกระว歪อึดอัดหลายอย่างแล้วก็แน่นอนครับเริ่มมองดูการรับใช้แล้วมองดูเปรียบเทียมนคนอื่นว่าทํำไมคนนั้นมันสบายกว่าเราทำไม่คนนี้ไม่ยอมมาช่วยเราก็นู่นนั่นนี่ขวางหูขวางตาหมดสแสดงว่าชีวิตของเราไม่สมดุลแล้วเรากำลังต้องคิดใหม่ครับว่าเออวันนี้เรากําลังเริ่ม ตำหนิพระองค์ด้วซ้ำไปว่าพระองค์เราไม่แฟร์เลยนะปล่อยให้ข้าพงศ์ทำงานหนักอยู่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยเล ย, ยการรับใช้แบบดีไม่นำพาสนิสุขชีวิตเสียสมดุล น, นะพี่น้องแล้วท่าไงดีครับงั้นชีวิตที่สมดุลเป็นยังไงในพระธรรมตอนนี้ครับเราเห็นมาธาในรูปแบบใหม่โอ้โหทับใจขอบคุณพระเจ้ามากคือชีวิตมาธาสมดุลพอดี หลังจากก็ทำบูกาได้บันซึกเรื่องราวของมาธาได้เรียนรู้บทเรียนในการพบพระเยซูมาแล้วนะครับก่อนปัสกาหวันครับพระเยซูมาเยี่ยมเธออีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนครับรำเนียมปฏิบัติชาวปาเลสไตน์ต้อนรับแขกอย่างดีบ้าพี่ที่มันซึกครับก่อนปัสกาหวันพระเยซูเสด็จมา ถ, ถึงหมู่บ้านเบธานีซึ่งเป็นหมู่ที่อยู่ของราซัตผู้ที่โปร่งได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตายพวกเขาจัดงานเลี้ยงโปรงมาทาก็ ปณิบัติอยู่น่าสนใจนะครับพระเบียดีพูดถึงสิ่งที่มาทาทําในสิ่งที่เธอคุ้นเคยอีกครั้งหนึ่งรับใช้พระเจ้าโดยการทําอาหารปฏิบัติในงานเลี้ยงพระเยซูแน่นอนครับเราไม่เห็นพระพิมพ์บันทึกเลยว่าเธอเริ่มบนอีกแล้วเธอให้มีความสุขไม่พระเบียดไม่บันทึกแบบนี้เลยเธอเรียนรู้แล้วครับว่าในท่ามกลางงานเลี้ยงเนี่ยข้าแล้วคงจะไม่มีคนเยอะมากนะแต่คราวนี้คงจะมีคนเยอะ ราค่ำไปด้วยผู้คนเพราะว่าคนอยากจะเห็นว่าลาสลัดฟื้นจากความตายไปยังไงน ะ, ะพูดง่ายเลวันนี้จากพัฒนามีคนวางมืออาจารย์นะครับศีบาลของเราวางมือคนตายฟื้นผมเชื่อเลยคนจะมาเต็มโบสเพียบแน่นอนไม่ใช่มาเพื่อจะให้ตายแล้วฟื้นนะอธิษฐานให้วางมือรกักษาโลกอูเราแปะป้ายเลยที่ี่รับวางมือมาเต็มอ่ะผมเชื่อคาค่ำไปแบบนั้นเลยบ้านที่กำลังต้อนรั พระเยซูคนทุกคนกำลังตื่นเต้นกับราสัตร์ฟื้นจากความตายคงเต็มไปด้วยผู้คนถ้าเต็มไปด้วยผู้คนแสดงว่าผัดอาหารหลายจานเลยเอากระทะใหญ่าามาตั้งเลยครับอ่าวนนี้มาม่าผัดมาทาคงจะผัดมาดมา่มาเพื่อเลี้ยงคนมากมายมาหาศาลไแต่คราวนี้มาทาไม่เหมือนคนเดิมมาทําให้บ่นสักคามาทามีความสุขกับการที่ได้จับบทปนในบัตรพระเยซู นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับที่มาธาเองเริ่มสมดุลชีวิตของเธอที่ทําให้เธอเองสามารถปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามาธาคิดอย่างนี้ครับแม็กลูคาโด้ผู้ไว้ยงหนังสือเขาว่ามาธาเองเนี่ยกำลังมองการนมัสการของเธอเป็นการรับใช้การนมัสการสําคัญที่สุดครับเพราะสุดท้ายที่เหลืออยู่คือการนมัสการพระเจ้าั้นการนมัสการที่เราสามารถนมัสการพวกบนโลกวันนี้ได้ดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะมีกว่ารได้ปฏิบัติ รับใช้พระวันนี้ท่านหลายอยา ก, ยากทำมรส ก, การพระองค์อย่างมีความสุขในใชีวิตไหมครับเริ่มต้นรับใช้โดยความสามารถเล็กๆน้อยที่ท่านมีอยู่อาจะไม่มีความสามารถอะไรามากมายทําในสิ่งที่ท่านทําได้ผมไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถมีชีวิตที่สมดุลและมีกําลังมากนะครับผมไม่นานวันี้คุณครอบครัวมผมมีโากาศได้ต้อนรับญาติที่มาจากเซี่ยงไฮ้นะครับที่ประเทศจีนผมเรียนรู้อย่างหนึ่งในครอบครวัว คุณพ่อผมเนี่ยนะครับไม่ค่อยทำอะไรมากครับอยู่บ้านเฉยๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มสังเกตว่าคุณพ่อเริ่มคุยกับคุณลุงไม่เข้าใจไอ้คุณลุงมาจากเสียงไฮ้ไอ้คุณพ่อเป็นคนเสียงไห้ถ้าไม่คุยกับคุณลุงไม่เข้าใจคุณพ่อกําลังอยู่ในโรคอัลไซเมอร์นะครับกำลังลืมแม้กระทั่งภาษาบ้านเกิดตัวเองเพราะอะไรย้อนหลังกลับไปว่าคุณพ่อผมไม่ทําอะไรเลยเป็นพ่อบ้านอยู่กับบ้านไม่ทํางานสักอย่างการที่เราไม่ทําอะไรเลยชีวิตของเราจะดรอปลงดรอปลงดรอปลงดรอปลงดรอปลง ครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่แข็งแรงเมืนกับพระเจ้าทุกวันผมขอหนุนใจครับบอกพระเจ้าพงษ์เจ้าข้าบอกข้าพรงษ์เถอะข้าพงษ์จะรับใช้พรงษ์อย่างไรดีเรามเชืวว่อวเมื่อเรารับใช้พระเจ้าชีวิตเราจะแข็งแรงขึ้นมากขึ้นในพระองค์ขอพระเจ้าจสักอย่างครับให้เรารู้ว่าเราจะมีส่วนมีบทบาทอย่างไรในการรับใช้ร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรของเรานี่คือคนแรกครับที่ทําให้รู้ว่าชีวิตเราจะสมดุลและไม่งอนแงน่งงอนแง่งไป ข้ที่สครับที่เราจะเรียนรู้กันครับคือชีวิตของมารีข้อ3าถึงข้อ8ได้บรรยายถึงนางมารีนะครับมารียังคงเป็นคนเดิมคงเส้นคงวาตลอดในชีวิตในความสัมพันธ์กับพระเจ้าผ่านการมัสการของเธอเราจะเห็นเลยครับว่าเธอเองเนี่ยได้มัสการพระเจ้าด้วยท่ า, าทีที่เธอแสดงออกที่นี้สองอย่างครับท่ า, าทีที่นางมารีแสดงออกในการมัสการพระเจ้าคือการถวายหมดทั้งใจ พรเพได้บันทึกครับในข้อ3มารีเอาน้ำมันหอมนาราบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัมซึ่งมีราคาแพงมากมาโลงพระบาทพระเยซูและก็เอาผมเช็ดพระบาทของพระองค์เรือ น, นั้นก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นโอ้นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเธอถวายหมดทั้งใจเลยไม่มีการให้อะไรดีกว่าการให้การนมัสการและการสรรเสริญพ ร, พระเจ้าคู่ควร น, นี่เป็นการให้ที่ดีที่สุดครับกับพระเจ้าที่เรารัก บุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นผู้พงด้วยสมควรได้รับสิ่งดีที่สุดจากเราด้วยใจกระตันยูที่เรามีต่อพระองค์เพราะพระองค์ระทานสิ่งดีมากมายให้เราถวายหมดทุกอย่างแต่พระเหมือนที่นางมารีได้ทําครับมารีกําลังแสดงออกด้วยการถวายหมดอย่างไรครับเธอเอาน้ามันหอมราคาแพงมากประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับแพงมากขนาดไหนลองคิดดูนะครับมีบางพีบางเล่นบอกว่าเป็นการแพงมากถึงการเอ า, เอา มีเงินที่เก็บสะสมหรือเงินที่ทำงานได้ตลอดหนึ่งปีเลยหรือสามร้อยวันลองคิดดูนะครับต้องเก็บเงินเงินค่าแรงขั้นต่ำามสามร้อยวันหรือหนึ่งปีไม่ไม่กินข้าวเลยได้เงินเดือนมาเก็บใส่กระเป๋าปุ๊บเก็บใส่กระเป๋าปีหนึ่งอะซื้อน้ำมันขวดเนี้ยเอามันลดฉลมพระบาทของพระองค์โอ้โหเว่อไปไหม ฟังดูแล้วโอ้นี่เธอทุ่มหมดตัวเลยถูกต้องรู้ว่าเธอต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะถ้าได้ค่าแรงขั้นต่ํสามร้อบาทกินนู่นกินนี้เหลือร้อยหนึ่งเก็บเอาไว้ถ้าหนึ่งร้อบาทต้องเก็บเอาไว้โอ้โหกว่าจะได้คน้ำมันหนึ่งขวดละเก้าหมื่บาทต้องเก็บกี่บาทอะต้องเก็บกี่วันนี่ยโอ้โห์นานมากกว่าจะได้กว่าจะได้น้ำหอมเ น, น, นี่ยนานจริงแต่เธอยอมลงทุนเอาทุกอย่างที่เธอเก็บเอาไว้ ซื้อ้มันะมาชโลม า, มาลาดพระบาทพระอง่ะโอ้ที่เป็นการมรส ก, การที่ยอดเยี่ยมมากครับและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยครับที่คนชาวยิวมานะคนชาวยิวเวลาเดินทางผ่านปาเลสไตน์ดินแดนทะเลทรายเท้าเนี่ยคงจะเปื้อนฝุ่นทั้นการมาเข้ามาที่บ้านก็จะเป็น เ, เป็นการในการล้างเท้าแขกที่มาเธอเอาน้ํามันหอมราคาแพงรถให้พวก เราไม่รู้ว่ารายได้ของเธอเนี่ยเดือนเดือนเดือนละแสนหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนะไม่น่าจะมีรายได้มากมายเลยนักหน า, ง, นา ง, งั้นเธอคงเก็บเงินมากนานมากเลยแล้วเธอก็มาให้ทุกอย่างที่ดีที่สุดกับพระองไม่เพียงนั้นนะครับไม่เพียงเอาแค่น้ำมันหอมชโลมพระบาทนะยังเอาส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายตัวเองเช็ดส่วนที่ต่ำที่สุดของพระเยซูเพื่อเป็นการยกย่องพระเยซูที่สุด ว่าพระงคู่ควรในการสรรเสริเพาเธอให้ทั้งใจเลยให้ทังตัวให้ทั้งใจนี่การทำมาศการไระเจ้าท้าที่สองที่เธอทําครับไม่ได้เพียงแค่ให้ทังตัวให้ทั้งใจนั้นสิ่งที่สองที่เธอทําคือเธอทําตามการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่ยูดาสนะครับในข้อห้าถึงข้อเจได้ทูนทักทวงเธอเรียบร้อยว่าเอ้ยนี่ขายนะ้ำมันหอมเทยอย่างเงี้ยศูนย์เปล่าเอาไปขายแจกให้คนจนก็ดีกว่าไหม หรือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ากระแสะตอนนี้ก็คือเอาขายของได้เอาเงินไปซื้อเสื้อยืดสีดําแจกคนคนอื่นดีไหมเนี่อนนี้กระแสะการแจกเสื้อยืดสีดํามาแรงนะจะยังไงก็แล้วแต่ครับยูดานเองเป็นขัวขโมยนะครับยอกยอ ก, ยอกเงินถวายที่คนมาถวายให้พระเยซูเก็บเอาไว้แล้วก็งบยิบงบยิบงบยิบเอาไว้สิ่งที่ดามารีทําตรงข้ามกับสิ่งที่ยูดาสพูดมารีครับทําตามการทรงนำของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ แต่ต่างกันด้วยยูดาสใช้ความเห็นแก่ตัวของตัวเองในการตัดสินใจทําในทุกอย่างแต่มารีไม่มารีก็เก็บน้ํามันหอมนี่ไว้จนถึงวันหกวันก่อนที่พระเยซูถูกตึงตายครับานางมารีเอาน้ํามันหอมนี่ดูเหมือนเป็นการลดน้ําศพเป็นการพยากรลูกหน้าเลยว่าอีกไม่กี่วันนี้พระองค์จะตายดูเหมือนในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้หลายคนรู้สึกเอ้ยแปลก ทำไมมารียจึงทําแบบนี้เพราะว่ามารีไม่รู้หรอกนะไม่รู้สักอย่างว่าทำไมเหตุผลนี้ตัวเองต้องเก็บน้ำมันหอมทิงเก็บน้ำมันหอมไว้ยาวนานขนาดนี้แล้วต้องมาลดวันนี้ด้วยไม่รู้หรอกแต่รู้สึกเหมือนพร ะ, พระเจ้าดนใจเธอบางอย่างให้เธอตัดสินใจทําอะไรบางอย่างวันนี้ แ, แน่นอนครับตามธรรมเนียมฝังศพของปาเลสไตน์ครับจะเอาน้ำมันหอมเนี่ยมาพร้อมกับไม้หอมเนี่ยชโลมที่ศพตัว น, นี้ไม่ตายเลย ย, ยังไม่ตายแต่ดูเหมือนการทําอย่างนี้พระเจ้าดนใจให้เธอเก็บน้ําหอมไว้จนวันนี้และเธอตั้งใจว่าจะเก็บน้ําหอมไปฉลมงประสบของพระองแต่เธอไม่ได้ฉลมเนะไม่มีใครได้ฉลมงประสบทวงแน่ น, นอนคะรับพระวิญญาณคงดนใจให้เธอเก็บมันไว้จนทุกวันนี้ัน้นการนมัสการที่พระเจ้าพอพระทัยมากคือการนมัสการที่เราให้หมดทั้งหัวใจมาบอกด้วยความตั้งใจว่าจะมานมัสการพระเจ้า จะมาร้องเพลงสรรเสริญพระองค์มาฟังเทศฟังเทศแล้วกลับออกไปแ ล, ล้วตั้งใจทําตามอย่างที่นักเทศเทศกับใจสมัยแล้วดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดนี่คือการมาสการพี่น้องนี่คือชีวิตที่สมดุลมากมามสการพระเจ้าไม่ได้มาถึงโว้ยจ่าคนนี้เท่หแล้วเดีย๋ยวนอนรอเลยสนใจแล้วจ่าคนนี้เทศไม่มันไม่สนุกละน้องครับอย่าให้เราเป็นเช่นนะั้นทําอย่างมารีครับตั้งใจเลยให้ทั้งตัวให้ทั้งหัวใจ และทำตามการทรงนำขงห ย, ยันโดยสุดว่าวันนี้พระองค์พาท่านหลายมาที่นี่ต้องมีจุดประสงค์บางอย่างการมาสการคือการให้เราให้คำสรรเสริญแด่พระเจ้าเราให้คำหนุนใจกับพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราเรามาให้และเมื่อท่านให้การมาสการที่ดีที่สุดคือพระเจ้าจะคืนกลับให้ท่านอย่างมากมายแต่ต้องให้ก่อนนะครับไม่มีโลกธุรกิจในกิจจักร ไม่มีวินวินสิติวเอชั่นไม่มีพระเจ้าได้ฉันต้องได้น no. อย่คิดแบบนั้นกับพระองค์ครับทำอย่างที่มารีททำครับเธอ lost ินเธอเสียเพื่อพระองค์จะได้เพราะพระองค์ทำอย่างนี้ก่อนคือพระองค์ตายบนไม้กางเขนล o s พระองค์ตายบนกางเขนเพื่อเราจะได้ความรอดชีวิตนิรันด์งั้นจงเรียนรู้ถวายทรัพย์ถวายตัวถวายหัวใจถวายบทเพลงแด่พระเจ้าสุดใจ โอ้โหแล้วผมเชื่อเลยเมื่อท่านให้กับพระองค์พระองค์ไม่เคยติดนี่เราพระองค์จะเทพระพรของพระองค์ลงมาในชีกเราจนเต็มเป็นเพียงที่เราลองสักครู่นี้ก่อนจะได้พระพรลงมาตนเต็มถามตัวเองก่อนว่าวันนี้ พ, พร้อมจะเสียเพื่อพระองค์หรือยังท่านพร้อมจะให้ชีวิตทั้งชีวิตกับพระองค์เหมือนที่มาลีได้ให้หรือยังถ้าท่านพร้อมผมรับประกันท่านจะได้รับการเติมเต็มอย่างเต็มที่ วันนี้ผมรับเชื่อพระเจ้าให้ใหม่ครับผมมาบสถครับเขาสอนลวีในชั้นเรียนผู้ราศมาพอดีเข้าไปนั่งเรียนพอดีครับเขาสอนเรื่องสิบรถนั่งฟังเลยโอ้โหสิบรถสัญญากับเราว่าถ้าเราให้สิบรถกับพระองค์สองสิ่งที่พระองค์จะทำก็คือพระองค์จะเปิดปัญชอนทอ้องฟ้าเทพระพรลงมาเหนือชีวิตของเราโอ้จริงเหรอสิ่งที่สองคือเขาถวาย10บรถจริงๆพืชพันธยาหารต้องยอมรับนะครับว่าคนสมัยก่อนนี่ อาชีพหลักของเขาคือเกษตรกรรมนะครับเขาทําเกษตรกรรมงั้นศัตรูตัวสําคัญคือมแมลงจะมากัดกินทําลายล้างพืชผลการเกษตรของเขางั้นการที่ฐานบอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าเข้าวงถวายสิรถแลกขอพระองค์ทาตามสัญญาขอพระองค์อยากให้ต้องศูญเสียในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียอยากให้พระองประสบอุบัติเหตุเลยอยากให้พระองต้องป่วยควเป็นโรคร้ายงั้นถ้าเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าถวายสิรถสองสิ่งจะเกิดขึ้นโอ้จริงๆริงว คือเราจะดำเนินการอวยพรและสิ่งที่ไม่ควรเสียจะไม่เสียตั้งแต่นเบื้อต้นมาผมถวายสิบรถเลยไปบวชปุ๊บรับเชื่อพระเจ้าใ ห, หม่สายสิบรถสันเสริญพระเจ้าพุ่มมวยพรเสร็จกลับบ้านเลยเพราะอะไรคาดหวังเลยพระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนแล้วผมก็มาบอกว่าพระเจ้าก็สัตย์ซื่อจริงนี่เป็นเรื่องเดียวที่พระเจ้าท้าทายแล้วลัคีได้บอกเห็นไหมครับนี่เป็นครั้งเดียวที่พระเจ้าบอกให้เราลองพระองค์ได้ คือจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าแสญญางพระองค์ท้าทายให้เราลองลงเรื่องนี้จงให้ทั้งหมดตลอดวันดีที่ผ่านมาสิซที่ผมให้ตลอดทั้งชีวิตพระเจ้าอวยพรทางคุณแม่คุณแม่ทําธุรกิจดูแลส่งผมเรียนจบไอแบกได้โอ้มาัศจันท์ด้วยความศรัทธาที่ผมให้ให้ให้และพระเจ้าช่วยผมเรียนรูที่จะให้ ได้มากขึ้นแล้วเมื่อยิ่งผมให้ชีวิตให้เงินได้ก็ให้ชีวิตได้มีหลายมีนักเทศหลายท่านบอกว่าอย่าอย่าโม้อย่าบอกพระเจ้าว่าผมจะถวายชีวิตแต่พระองค์ใจเย็นพี่น้องถ้าล้วงกระเป๋าเรื่องเงนยังออกจากกระเป๋าไม่ได้อย่าอ้างว่าจะถวายชีวิตเพราะเงินที่อยู่ในตัวเรายังเห็นเนี่ยที่เห็นอยู่ได้ง่ายๆเนี่ยยังถวายไม่ได้นันอย่าบอกว่าจะถวายชีวิตถามตัวเองก่อนวันนี้สัตว์ซื่อพระเจ้าสิบรถคือสิบรถ อะไรเป็นของพระเจ้าคืนแด่พระเจ้าแต่ผมรับประกันปรองค์จะเทพรกลับลงมาช่วยของท่านจนเต็มเชมัสแต่จงล o s ์วินเราไม่เหมือนคนมากมายที่ไปถึงต้นตะเคียนแล้วก็ขูดเลขแล้วบอกว่าถ้าลูกช้างได้สองตัวเมื่อไหร่ลูกช้างจะเอามาอะไรมาถวายไม่แสดงว่าเขากำลังต้องว i นก่อนถ้าวินเมื่อไหร่ ต้นตะเคียนถึงจะได้เราก็ทำแบบนี้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่แตกต่างอะไรจากต้นตะเคียนต้นนี้ทําไม่พี่น้อ ง, พ ร, องอพระองค์บอกพระองค์จ้ะ ข, ข้าพระองค์พรอ้อมจะให้พระองค์ก่อนเลยแล้วแต่พระองค์พระองค์ซัตว์ซื้อพี่น้องนี่คือมารีสุดท้ายครับชีวิตที่จะไม่เราสมดุลไม่ใช่เพียงแค่รับใช้แบบมาธานมัสการแบบมารี์แต่จะเป็นชีวิตที่เป็นพยาน แบบลาสลัดด้วยในข้อ9าึงข้อ11ครับชีวิตที่สมดุลแบบราสลัดนี่เป็นชีวิตที่ต้องยอมรับว่าเป็นการเป็นพยานด้วยความเป็นชีวิตที่น่าสนใจและดึงดูดมากเพื่อทําให้คนมากมายมาเชื่อพระเยซูแล้วมาดูชีวิตของราสลัดกันนะครับอย่างแรกนะครับช่วงแรกชีวิตของราสลัดเป็นชีวิตที่ดูว่างเปล่าเขาไร้ความสมดุลไม่ต้องพูดถึงสมดุลเลยเขายังไม่ยอมก้าวขึ้นมายืนบนลวดด้วยซ้ําไป ไม่ยอมจะขึ้นไปเดินบนลวดแล้วก็เดินไปถึงตอลอดรอบฝั่งเลยไม่ยอมขึ้นไปด้วยซ้าไปชีวิตว่างเปล่ามากเลยรู้ได้ไงครับย้อนสิบเอดครับนี่เป็นอย่างที่บอกนะครับนี่เป็นหมายสําคัญอย่างที่เจเราได้เห็นหมายสําคัญนี้เกิดขึ้นคือเขาแนะนําลาสรัสครับลาสลาสัดบทเศษข้อหนึ่งบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อลาสลัดกาลังป่วยอยู่ที่บ้านเบธานีซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มาเลและมาถาพี่สาวของนางอยู่นะั ฟังดูแล้วโอ้โหคนนี้ไม่มีใครรู้จักเลยนี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกนะท่านพี่เลยไม่มีใครรู้เรื่องเขาเลยเวลาแนะนําตัวเขายังต้องแนะนําพี่สาวสองคนที่ดังกว่าเลยเงียบงนันไม่มีอิทธิพลเหนือใครทั้งสิน้นไม่เป็นที่รู้จักของใครและแต่แน่นอนพอเกิดมาปุ๊บ ก, ก็ตายปั๊บเลยอ่ะมันทึกเลยมึงบอกว่าเขากำลังป่วยอยู่พี่สาวสองคนต้องส่งศารไปถึงพระเยซูบอกโอ้นะพี่สาวสองคนจึง ส่งข่าวไปทูลพระเยซู ว, ว่าองค์พระเจ้าคนที่โปร่งทรงรักนั้นกําลังป่วยอยู่ใสค่คพระเยซูสุดๆป่วยอยู่นะรีบมาเลยพระเยซูเออเจนเออเจนดังชีวิตก่อนที่เขาจะมีประสบการณ์กับพระเยซูชีวิตก่อนที่เขาจะเต็มเปี่ยมร้นหรือสมดุลได้ราสลัดว่างเปล่าชีวิตเขาเนี่ยปุ๊บหอกปรากรายเรื่องปุ๊บตายพระพีมพ่มันทึกว่ามาทาบอกว่าไม่ต้อง เคลื่อนก้อนเห็นออกจากปากอุโมง์เลยตอนนี้ลาสลาได้ตายในมุงเหม็นแล้วไม่ต้องไปสนใจแล้วพระองค์จนพระเยซูต้องพูดประโยคสุดคลาสสิกใช่ไหมถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าละมาทาก็บอกว่าเชื่อก็ได้ช้ายก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ดังนั้นชีวิตก่อนที่ลาสลาศเองจะมีชีวิตที่มีอิทธิพลและเป็นพระพรรับใช้พระเจ้าด้วยกันในพยานได้ชีวิตของเขาแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะ นอนตายอยู่ในอุโมงฝังศพแต่หลังจากนั้นพี่น้องเลยหลังจากชีวิตที่ว่างเปล่าชีวิตของเขากลับสมดุลขึ้นได้เมื่อเขาได้พบพระชีวิตลาซัดเปลี่ยนไปครับเมื่อเขาได้รับการทรงเรียกให้ออกมาจากอุโมง์ฝังศพเราไม่ต้องจินตนาการนะครับว่าลอยออกมาอย่างไงหรือออกมายืนหน้าหลุมฝังศพได้อย่งไรเขาให้กริ่งก้อนถินออกก่อนๆๆๆๆๆๆๆๆแล้วพี่เยซูก็ เ, เรียกลาสัดเอ๋ยลาสัดเอ๋ย ลาสตัส ก, ก็ลอยออกมาผมเชื่อว่าลอยออกมานะครับเพราะว่าพิธีกรรมสมัยก่อนคนที่ถูกตายเนี่ยคนที่ฝังถูกฝังเนี่ยจะต้องพันเป็นมัมมี่ลองไปเล่นที่บ้านดูได้นะครับลองเอาผาพพันตัวเองไว้นะครับแล้วตัวเองจะลุกขึ้นยืนจากการพันเป็นมัมมี่ได้ไหมไม่ได้เลย แ, ลแสดงว่าการมันยืนหน้าอุโ ม, มงฝังศพช่างมาสจันน่นเลยครับนี่คือการทรงเรียกครับแล้วเมื่อเขา้รับการทรงเรียกชีวิตของเขาเปลี่ยนไป เขาลังเปิดเผยถึงสิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์คือพระเจ้าจอมเจ้าหน่ายมือนี้พระเยซูได้พูดก่อนหน้าที่พระองค์จะชุบเขาให้เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์บอกอย่างนี้ครับพระองค์บอกว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นจากความตายอันนี้คือสิ่งที่พระเยซูกําลังบอกเลยพระองค์นี่แหละเป็นยาเวเป็นเราเป็นซึ่งบอกเป็นเราเป็นพระองค์ก็เติมต่อเลยครับ เราเป็นชีวิตเราเป็นเทพคนทั้งปวงเป็นขึ้นจากความตายนี้คือสิ่งที่พระองค์กำลังเปิดเผยหลังการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ลาสลัดไม่เหมือนเดิมอีกแม้ลาสลัดนะครับในบทที่2ข้อ1บอกว่าลาสลัตพวกเขาจัดงานเลี้ยงและลาสลัดข้อ2ลาสลัตก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมรับประทานอาหารกับพระไม่ทําอะไรมากครับลาสลัดไม่ได้ถือไมโครโฟนสวัสดีครับผมคือคนที่ฟื้นจากความตายครับไม่มีนะพระผีไม่ได้บันทึกแบบนี้ โอขอต้อนรับลากษณะที่ฟื้นจากความตายครับไม่มีว่าแปะป้ายอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีแปะป้ายไม่มีโฆษณาเสียงดังไม่มีนั่งกินข้าวพระเยซูแต่าก็กล้าบอกว่าพวกยิวจํานวนมากรู้ว่าประทับอยู่ที่นั่นจึงมาเฝ้าไม่ใช่เพราะอยากเห็นพระเยซูนะแต่อยากเห็นลักษัะฟื้นจากความตายเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดจะฆ่าลากษณะสิ่งเพราะว่าลักษณะทำให้คนมากมายหันเหจากพวกยิว มาเชื่อพระเยซูจนหมดโอ้ชีวิตศาสนามีอิทธิพลขนาดนี้ใช่เหรอไอคนที่นั่งกินข้าวธรรมดากับพระเยซูนี่นะถูกต้องดึงดูดให้คู่คนมากมายเข้ามาแม้แต่ผู้นําศาสนาเองก็ยังอยากจะเข้ามาเห็นเลยครับชีวิตที่สมดุลคือชีวิตแบบดีครับพี่น้องครับท่านมีอิทธิพลดึงดูดผู้คนมากมายให้เห็นว่าโอ้คนที่เชื่อพระเยซูเป็นอย่างนี้นะคนที่เป็นคริสเตียนดีแบบนี้เองโอ้โหงั้นมาเชื่อพระเยซูดีกว่าพวกเขามีความหวังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร นี่ะครับวันนี้คือชีวิตที่ลาซาดทาให้เราเห็นเลยครับว่าเราจะเป็นพยานถึงความรักความรอดเป็นพยานที่คนรับรู้ว่าเป้าหมายชีวิตที่มีอยู่ในโลกนี้คืออะไรลาซาดเป็นชนนั้นแหะครับที่เขาเองตั้งใจจะมีชีวิตอยู่เพื่อประกาศพระนามของพระเขาไม่สนใจเลยครับว่าคนจะข่มเหงจะประทุษล้ายเขาอย่างไรบ้างแต่วันนี้เขามั่นใจแล้วเขาจะขึ้นมาเดินบนลวดและเขาจะประกาศพระนามของพระองค์และเดิน ไปจนถึงสุดปลายชีวิตอของอีกข้างหนึ่งอย่างสง่า ง, งามมีคํากล่าวคํานึงครับที่น่าสนใจมนุษย์ทุกคนต้องดําเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึง่งฟังดีนะครับมนุษย์ทุกคนต้องดําเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วชีวิตของคนนั้นจะวา่างเปล่าเราจะเห็นว่าคนสูงอายุมากมายดำเนินชีวิตแบบมีเป้าหมายนะทุกวันนอนร อ, อความตายและจบชีวิตไปไม่รู้ครับเราไม่เป็นเช่นนั้นครับ เราเองตั้งเป้าเลยถวายเกียรติพระเจ้าแล้วแน่นอนครับเราจะนำคนมากมายมาถึงพระคนี่คือเป้าหมายเราครับนี่คือการบ้านชิ้นเดียวที่พระองค์สั่งเราพระองค์จะไม่ขึ้นไปแล้วครับถึงสวรรค์ น, นะครับตอนนี้ผมคีดจังก์ผมร่วมมือกับขีดจักรลักดั้งเดิมนะครับเราไปแจกข้าวให้กับคนเร่ร่อนนะครับที่สนามหลวงนะครับทุกวันพฤหัสทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่ม ผมเชื่อพระองค์จะไม่ถามผมว่าโลกทรงเอ้ยครับแจกอาหารไปกี่กล่องอะลูกผมไม่เชื่อลราพระองค์จะถามนี้ผมไม่เชื่อพระองค์จะถามว่าแล้วแจกน้ําสิ่งไปกี่ขวดนะพระองค์จะไม่ถามแบบเนี้ยพระองค์จะถามผมว่าลูกเอ้ยประกาศและสร้างสวรรไปกี่คนละในชีวิตเนี่ยน้องหลายวันนี้เป็นกันบ้านชิ้นเดียวที่พระองค์เรียกร้องให้เราผมไม่ได้บ้าจํานวนแต่ผมเชื่อว่า เราต้องนับได้บ้างาผมประกาศกับคนไปร้อยอคนครับ เ, เคยนั่งคาทับเชื่อไหมไม่เคยเคยสร้างสมบุกไห ม, เ, มเกือบสร้างแล้วพระองค์สร้างไปสักครึ่งคนได้แล้วผมว่าเราต้องตอบพระองค์อย่างชัดเจนเนาะปริมาณและคุณภาพมันต้องมาพร้อมกันนะผมเชื่อวันนี้วันที่เราเองต้องตอบตัวเองว่าเราเป็นรางสนัตหรือเปล่าคือเรามีชีวิตอยู่ เพเล่าเรื่องราวข่าวดีให้เพื่อนบ้านที่เขาลังทุกข์โศกที่อยู่ในโลกของความตายเศร้าหมองแบบเหมือนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราน่าจะเป็นลาสลัดที่พาพวกเขาออกจากความเศร้ามาสู่ความหวังเหมือนที่ราสลัดเองเคยออกจากความตายมาสู่ความหวังเรากำงเชื่อวันนั้นเราจะนับโอ้เราได้นำคนมาเชื่อกี่คนนะขอบคุณพระเจ้าที่ใช้เราและได้สร้างสวกกี่คนผมว่านี่คือชีวิตสมดุล ชีวิตที่พระเจ้าอยากได้จากเรางั้นจากพระธรรมวันดีครับเราพบลักษณะสามอย่างครับสามคนรวมกันสมดุลพอดีเหมือนเก้าอี้สามขาเราต้องการสามอย่างในชีวิตเราต้องการชีวิตการรับใช้แบบมาธาที่รับใช้อย่างมีความสุขกับพระเจ้าไม่บน่นแต่มีความสุขเราต้องการชีวิตนมสการแบบมารี ที่ในมัสการพระเจ้าสุดใจให้หมดทั้งหัวใจเราต้องการชีวิตที่เป็นพยานแบบลาสนาัคือมีประสบการณ์กับพระองค์เล่าเรื่องราวประสบการณ์นั้นจากชีวิตของท่านเองให้ผู้คนน่าเศร้าใจครับทุทกวันนี้คิดจากของเราคลาค่ำไปด้วยผู้คนมากมายที่รับใช้ดูเหมือนจะรับใช้แบบมาทาตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ น, ต น, ตนแต่อาจจะไม่มีเวลาที่จะมันมัสการพระเจ้าสุดใจแบบมารี หรืออาจจะมีสองอย่างแต่อาจจะไม่ได้มีความตั้งใจเลยที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนรอบข้างที่อยู่รอบข้างเราทุกวันนี้ทิศจักต้องการสามอย่างนี้ครับพอถ้าเราให้เป็นสามอย่างก็อี้มันจะเอียงข้างหนึ่งแล้วเราจะกลายเป็นอะไรล่ะเราจะกลายเป็นยูดาสพี่น้องเราเหลือคนอีกคนหนึ่งที่ในพระคัมภีร์ตอนนี้คือยูดาสทุกวันนี้ทิศจักมากมายอาจจะมียูดาสแฝงตัวเข้ามา ยูดาสนะครับไม่มีอะไรมากมายเลยครับเขาคาดหวังว่าจะได้ได้ได้อะไรจากพระเจ้าได้มาสิต้องได้ก่อนฉันต้องได้อะไรจากพระเจ้าก่อนฉันจะกอบโกยทุกอย่างมานมัส ก, การแล้วต้องมีความสุขนะฟังเทศแล้วมันต้องแตะต้องใจโอสบบ้สบายใจวันนี้นักเทศไม่ด่าฉันอมีความสุขรู้เคล็ดลับวิธีการที่เทศนาต้องรู้วิธีการบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขโอ้ฟังแล้วดีอย่างนี้สักเทศเทศอย่างนี้ดีมาเทศได้บ่อยนะ ไม่พี่น้องหลายยูดาสกำลังเป็นแบบนั้นกรอบโกยมีเงินมากเอาเงินเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ได้สนใจพระองค์เลยสนใจแต่ตัวเองเขานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารเหมือนกันครับแต่ด้วยใจขมขื่นอิจฉาดิสยาเห็นพระเยซูชื่นชมนางมารีวิพากวิจาร์คนอื่นวิพากวิจารคนที่ ร, ท ร, ร, รับใช้ด้วยของประทานที่อาจจะดี ก, ก, วดกว่าวิพากวิจารเอ้ยอนู่นไม่ดีไอ้นู่นไม่ดี แล้วก็สนใจว่าใครนะจะให้ฉันใครจะให้ฉันน้องครับถ้าท่านเป็นสามคนนี้ท่านจะเป็นอีกคนหนึ่งคือยูดาสเราะนั้นต้องเลือกเอาครับวันนี้ท่านจะอยู่ในโบสถ์ด้วยการทุ่มเทชีวิตรับใช้แบบมาธาท่านอยากจะมีชีวิตมัสการใกล้ชิดพระองค์ให้ชุดทั้งชีวิตกับกับคนมากมายเป็นมาเรหรือเปล่าแล้วออกไปเป็นพยานเล่าเรื่องพระเยซูมากมายอย่างราษฎรหรือเปล่า ท่าต้องเลือกครับวันนี้ท่านจะเป็นกอีสามขาที่สมดุลหรือจะเป็นยูดานที่เห็นแก่ตัวถ้าเราเป็นมาทายอยู่แล้วจงเข้มแข็งครับพะพระเจ้าทรงเห็นการรับใช้ที่พี่น้องทำถ้าเราเป็นมาเรียอยู่แล้วจงรับการแล้วลมใจครับพระเจ้าทรงรับการนมัส ก, การจากเราถ้าท่านเป็นลาสรัดจงเข้มแข็ง พระเจ้าจะให้เกียรติคําพยานที่คุณเป็นพยานแต่ถ้าท่านเป็นยูดาสจงรับคําเตือนสติเพราะพระเจ้าทรงเห็นความเห็นแก่ตัวของเราให้เราสงบใจสักครู่ได้ไหมครับวันนี้ท่านลองถามตัวเองครับวันนี้ท่านเป็นสามคนคนนั้นหรือเปล่ามาธามาเร่และลาสรัด หรือว่าท่านเป็นยูดาสเนี่ยท่านมีชีวิตเพื่อจะให้พรให้การรับใช้ให้การนมัสการให้การในพยานกับคนรอบข้างท่านต้องเลือกทั้งหมดเพราะท่านไม่เลือกอะไรสักอย่างท่านจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นยูดาสที่เห็นแก่ตัววันนี้ผมเชิญชวนครับให้กับพร ะ, ระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อทเที่ยงธรรม พระองค์จะอวยพรท่านมากกว่าที่ท่านคิดมากกว่าที่ท่านขอพระเจ้าให้ชงมอบทั้งชีวิตแต่ความสามารถเวลาทุ่มเทเพื่อพระองค์นนคือชีวิตที่สมดุลครับที่เราจะเดินไปตลอดรอดฝั่งนั่นบอกพระองค์ครับบลายวันนี้พระองค์แต่ต้องช่วยท่านด้วยอะไรถ้อยคําตอนไหนแต่ต้องท่านบอกพระคขอเบลอ ย, ยกโทษ ช่วยข้าพวงหลายสมดุลคนก็อี้สามขาตัวนี้ข้าพวงไม่อยากเป็นยูด้านบอกพระองค์ครับและพระองค์จะช่วยเวดาเจ้าข้าพวงหลายเข้ามาเฉพาะเบื้องพระภาคของพระองค์วิงวอนต่อพระเจ้าขออวยพรข้าพวงหลายที่จะมีช่วยที่สมดุลมีแบบอย่างชีวิตของคนทั้งสามคนเป็นส่วนหนึ่งของช่วยจริงๆเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างว่า นำคนมากมายมาถึงพระองค์อยู่กับพี่น้องในคิดจักรับใช้กับพี่น้องด้วยความชื่นบานและมีความสุขธรรมส ก, การพระองค์ด้วยใจอินตีขอสิ่งนี้เกิดขึ้นกับข้าพวงหลายทุกวันทุกวันขอให้อยู่ดารจะไม่อยู่ที่นี่จะให้มีคนที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวสนใจตัวเองให้จักรวานถ้าจักรวานหมุนรอบตัวเขาผงโชคาถ้าใครมีความคิดแบบนี้ขอทรงโปรดเปลี่ยนแปลงและช่วยข้าพวงหลาย ที่จะมีชีวิตที่มอบสวายแดดองและให้พรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของข้าพงศ์หลายเรจึงมอบฝากกันและกันไว้กับพระองค์ครับใ น, นพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้าอิปป์นะครับ